โสันความรักนั้นเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้านตำบลทุกชาติชั้นวรรณะและในมนุษย์ทุกหมู่เหล่าพระาศาสดาเคยตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่าความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมทั้งสองอย่างคือเคยรักใคร่ชอบพออยู่ร่วมกันมาในชาติก่อนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่ง คือการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อห น, นุนกันในปัจจุบันในทั้งสองประการนี้คนอาจจะรักกันได้แม้ด้วยเหตุเพียงประการเดียวและในบางกรณีอาจจะทั้งสองประการรวมกันเข้าความจริงข้อนี้จะเห็นได้จากคนบางคนเมื่อพบกันครั้งแรกได้นสนทนาวิสาสะแก่กันก็เกิดความพอใจรักใคร่กันได้แม้เพียงเพราะพบกันครั้งเดียว ในกรณีอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะเคยชอบพอรักใคร่เกื้อกูลเป็นหนี้ทั้งจิตใจกันมาตั้งแต่ชาติก่อนส่วนอีกประการหนึ่งจะรักกันก็ต่อเมื่อคบหาสมาคมกันนานๆเกื้อกูลช่วยเหลือกันจนเกิดความเห็นอกเห็นใจจึงเกิดความรักขึ้นความจริงจากพระพุทธดารัสนี้เราสามารถเห็นได้จากชีวิตของคนทัท่วๆไปข้าแต่ท่านพูดเจริญแต่เหตุ ที่จะให้เกิดความรักทั้งสองประการนี้ท่านเห็นว่าอย่างไหนหนักแน่นรุนแรงหรือมีอิทธิพลแก่จิตใจมากกว่าอวุโสปัญหาของท่านข้อนี้ตอบยากแต่ข้าพเจ้าจะขออุปมาให้ท่านฟังพอเป็นแนวทางพิจารณาข้าพเจ้าเห็นว่าความรักซึ่งเกิดจากหนี้ทางจิตใจในชาติก่อนนั้นเปรียบเหมือนมารดาผู้บังเกิดกล้าว ส่วนความรักซึ่งเกิดจากการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นเปรียบได้กับพี่เลี้ยงนางนมหรือบุพเพสนิวาตเป็นผู้ปลูกส่วนการเกื้อกูลในปัจจุบันเป็นผู้รดน้ำปรวนดินระหว่างมารดาผู้ซึ่งให้กําเนิดเรามาแต่ไม่ได้เลี้ยงกับพี่เลี้ยงนางนมผู้มิได้ให้กําเนิดแต่เลี้ยงเหมือนบุตรของตนท่านเห็นว่าฝ่ายไหนมีบุญคุณมากกว่าจิตใจของเราหรือใจของท่านจะเห็นว่า อิทธิพลทั้งสองฝ่ายที่จะโน้มเนียวจิตใจให้รักใคร่เคารพนับถือฝ่ายไหนจะมีมากกว่ากันท่านผู้เจริญปัญหานี้ตอบยากจะรักเคารพฝ่ายไหนมากกว่ายอมแล้วแต่ตัวประกอบในบุคคลทั้งสองนั้นจะตัดสินชี้ขาทลงไปไม่ได้เพราะมิใช่ปัญหาที่จะฟังตอบโดยแง่เดียวดีแล้วอวุโสท่านเข้าใจตอบปัญหาดีมากปัญหาบางอย่าง ดวนตัดสินชี้ขาดไม่ได้พระบรมศาสดาทรงแสดงวิธีแก้ปัญหาไว้สแบบแบบที่หนึ่งเรียกว่าเอกังสะพยากรหมายถึงการแก้ปัญหาแง่เดียวในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นเอกังสะพยากรกรณียปัญหายกตัวอย่างเช่นมีคนถามว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมดีหรือไม่ดี อย่างนี้ตอบได้ทันทีว่าไม่ดีแบบที่สองเรียกว่าวิพัชพยากรคือการตอบแยกเช่นถามว่าสตรีกับบุรุษฝ่ายไหนดีกว่าฉลาดกว่าหรือใจเป็นกุศลกว่าอย่างนี้เราจะตอบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าจะตอบว่าสตรีดีกว่าฉลาดกว่าหรือใจเป็นกุศลกว่าก็ขัดกับความจริงเพราะฉะนั้น ปัญหาอย่างนี้จึงควรตอบว่าสตรีบางคนดีกว่าฉลาดกว่าใจเป็นกุศลกว่าบุรุษบางคนและบุรุษบางคนดีกว่าฉลาดกว่าและใจเป็นกุศลกว่าสตรีบางคนอย่างนี้จึงจะไม่ผิดความจริงแบบที่สามเรียกว่าปฏิปุชาพยากรคือการถามย้อนสิ ก, ก่อนแล้วจึงตอบอย่างที่ข้าพเจ้าได้ถามท่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเมื่อเขาถามว่าเมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์หายไปไหนเราลองถามย้อนเขาดูว่าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปไหนถ้าเขาตอบปัญหาของเราได้ก็เป็นอันตอบปัญหาของเขาเองไปด้วยแบบที่สเรียกว่าทับปณีพยากรณ์ในกรณีที่ปัญหาเป็นทับปณีปัญหาคือหมายความว่า ไม่ตอบเลยในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการตอบปัญหาเช่นนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างที่มีผู้ถามพระพุทธองค์ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์เรียกว่าทัปปนณะหรือทัปปนียะอุโสเหล่านี้คือแบบแห่งการตอบปัญหาสี่ประการเพราะฉะนั้นท่านที่กล่าวว่า ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะตอบโดยแง่เดียวนั้นเป็นการถูกต้องแล้วอาวุโสแต่ในกรณีที่มีสาเหตุพร้อมทั้งสองประการคือทั้งบุเพสนิวาตและการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในปัจจุบันความรักย่อมจะมีความรุนแรงมั่นคงเหนียวแน่นเป็นธรรมดาวิธีที่จะมิให้เกิดความรักหรือมิให้ความรักย่ำยีจิตใจได้ ก็ด้วยการสํารวมตาหูเป็นต้นที่เรียกว่าสํารวมอินทรีย์มีให้ความยินดียินร้ายรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้เพราะได้เห็นรูปด้วยตาเป็นต้นเพราะการไม่สํารวมระวังนี่เองความรักย่อมตั้งลงได้แม้ในฐานะที่ไม่ควรตั้งลงมีหรือท่านผู้เจริญการตั้งลงแห่งความรักในฐานะที่ไม่ควรตั้งลง อวุโสสมัยหนึ่งพระอานนุ์เถระเจ้าของเราในสมัยที่ท่านยังเป็นโสดาบันได้เดินทางไกลด้วยความลำบากเน็ดเหนื่อยเนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ท่านรู้สึกกระหายน้ําพอดีมีสตรีผู้หนึ่งเป็นนางทาสีถือหม้อมาตักน้ําและเมื่อได้น้ําแล้วก็เดินกลับสวนกับท่านพระอา น, นุ์ใกล้ๆกับบ่อน้ํานั่นเอง พระอนุน้อมบาทเข้าไปพร้อมด้วยพูดว่าน้องหญิงถ้าไม่เป็นการลำบากอาตมาขอบินทบาทน้ำจากท่านพอระ ง, งับความกระหายเถิดสตรีผู้นั้นพิจารณาลักษณะอันสง่างามและผิวพรรณอันแสดงลักษณะวันณะแล้วก็มีท่าทางตื่นตื่นถอยออกมาสองสาก้าแล้วกล่าวว่าท่านพูดเจริญท่านรับน้ำจากมือข้าพเจ้ามิได้ดอก ท่านเป็นบรรณกษัตริ์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีเท่านั้นน้องหญิงไม่เป็นไรหรอกใส่น้ำลงมาเถอะถ้าเธอประสงค์จะให้อัตมาไม่มีวันณะแล้วสตรีผู้นั้นรู้สึกปลื้มปิติเป็นลลนพนดูเหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้รับฟังคำอันรื่นหูจากชนที่สมมติเรียกกันว่าชั้นสูงเธอประจงเทน้าจากหม้อลงในบาตพระ อ, อ น, นุ์ ด้วยความเคารพเลื่อมใสดูกรพราดาแต่ใจของเธอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นสิแล้วเธอรักพระ อ, อนนต์เข้าไปด้วยและรักยังจับใจเมื่อได้ฟังว่าน้องหญิงขอให้เธอได้รับความสุขเถิดอวุโสท่านคงทราบดีว่าความอ่อนหวาน น, วนนุ่มนวลนั้นเป็นบันไดาตายขึ้นไปสู่ความรักได้ง่ายๆดังนั้น เมื่อพระอ น, นุ์เดินกลับวัดนางก็เดินตามไปด้วยพระอนนุนพยายามชี้แจงให้นางกลับเสียแต่เธอก็ไม่ยอมกลับเสียงถกเถียงกันแววถึงพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วจึงตรัสถามว่าเธอรักอะไรในอ น, นุนเมื่อนางกราบทูลทีละอย่างว่ารักตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นต้นของพระอ น, นุน พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นความปฏิกูลเปื่อยเน่าน่าเกลียดของสิ่งนั้นๆทีละอย่างทีละอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุก ข, ขนมสดแต่เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยมีสิ่งสกปรกไหลออกอยู่เสมอเช่นขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหูเป็นต้นอย่างนี้แล้วเธอยังจะรักสิ่งเหล่านี้อยู่อีกหรือด้วยประการฉนี้ นางจึงค่อยบรรเทาความรักในพระ อ, อ น, นุนลงได้บ้างและแล้วขอบวชเป็นภิกษุณีอยู่ในเขตวัดเชตวันนั่นเองอยู่มาไม่นานนักณนะโคสิตารามเมืองโกสัมพีความรักของนางเริ่มกำเริบขึ้นอีกเมื่อทราบว่าพระ อ, อนนนจะริกมาสู่เมืองนั้นนางจึงทำทีเป็นป่วยขอร้องให้บุคคลผู้หนึ่งไปนิมนต์ท่าน อ, อ น, นุ์มาเยี่ยมไข้เมื่อท่าน อ, อ น, นุ์ไปเยี่ยม เห็นอาการของนางแล้วก็รู้ทันว่าเป็นเล่เหลี่ยมของเธอท่านจึงพูดขึ้นว่าน้องหญิงร่างกายนี้จเจริญเติบโตขึ้นด้วยอาหารบุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหารเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะตัณหาพึงอาศัยตัณหาละตัณหาเสียกายนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะมีมานะพึงอาศัยมาน a ละมา n ะเสียดูก่อนน้องหญิง กายนี้เกิดขึ้นจากเมถุนแต่เมถุนนี้พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียอวุโสเมื่อท่านอานท์กล่าวดังนี้นางก็รู้สึกตัวและเสียใจมากลุกขึ้นกราบขอโทษพระอานนท์และตั้งแต่นั้นมากรอประพฤติตนเป็นคนดีและเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคในราตรีหนึ่งก็ถึงซึ่งอรหัตผล ดูกนพราดานี่แหละข้าพเจ้าจึงว่าด้วยการไม่สํารวมระวังความรักจึงเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่ควรเกิดและตั้งลงในฐานะที่ไม่ควรตั้งลงห้าเดือนต่อมาเมื่อพระธรรมชาติกลับจาก จาริกในชนบทต่างๆแล้วและกลับมาสู่อารามนั้นอีกครั้งหนึ่งท่านได้พบสะโทมจารีหลายท่านที่เคยสนิทสนมและต่างก็แสดงความยินดีชื่นชมต่อกันและกันตามสมณวิสัยวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมพระสารชาติถึงที่อยู่เมื่อสมโมธนียกถาและการถามถึงภาสุวิหาร คือการอยู่ผาสุขของกันและกันได้ผ่านพ้นไปแล้วพระสารชาติก็ถามถึงสพมจารีท่านหนึ่งคือพระกันหกะว่าอยู่สบายดีมีความสุขในปัจจุบันหรืออย่างไรข้าแต่ท่านผูเ้เจริญพระกันหกะได้เคลื่อนจากพรมจันท ร, ร์บอคืนศิขาเข้าสู่คารวาร่าวิสัยเสียแล้วตั้งแต่ท่านจากไปได้สามเดือน ทั้งนี้เนื่องจากบิดาของท่านกันหกะสิ้นชีวิตลงในเดือนแรกที่ท่านผู้เจริญจากไปนั่นเองเมื่อเหลือแต่มารดาและน้องหญิงเพียงคนเดียวกันหั ก, กะก็ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนจึงตัดสินใจศึกเมื่อสองเดือนมานี้พระสารชาติเงียบไปสักครู่หนึ่งเหมือนจะตรึกตรองหาคำพูดที่เหมาะสม หรือปรุงสองเวทในความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายและแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าอวุโสความจำเป็นแห่งชีวิตของมนุษย์เรามีไม่เหมือนกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามจังหวะและช่วงชีวิตอันมาถึงเข้าเป็นระยะระยะการที่ท่านกันหกะต้องศึกไปเพื่อบำรุงมารดาบิดาและปกครองดูแลน้องก็เป็นกุศลจริยาประการหนึ่ง แม้การอยู่ในเพศบรรพชิตจะบำรุงมารดาบิดาได้เหมือนกันแต่เมื่อเจ้าของชีวิตต้องการอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเป็นไปแม้การอยู่ในเพศพลเมจันแต่มิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ชีวิตก็เป็นหมันได้อีกแต่ประการหนึ่งการบรรพชาอุปสมบทของท่านกัณหกะก็เป็นไปเพื่อสนองเจตนาดี และเพื่อรักษาน้ําใจของมารดาบิดาเท่านั้นท่านทําได้ขนาดนี้ก็ดีถมไปแล้วการที่เราจะมาบังคับกะเกณฑ์ให้ชีวิตต่างๆเป็นไปตามความปรารถนาของเรานั้นเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้เป็นเรื่องเหลือวิสัยชีวิตทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามคลองของตนอาวุโสเป็นโชคดีของเราหนอ ที่ไม่มีอุปสรรคอันใดามาขัดขวางให้พรหมจรรย์ของเราต้องสั้นลงหรือเป็นเหตุให้เราต้องเลิกละจากพรหมจรรย์ น, นี้เป็นบุญลาบของเรายิ่งแล้วที่มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคอันยากนักที่บุคคลจะบำเพ็ญให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตได้ท่านและข้าพเจ้าควรจะภาคภูมิใจในคุณข้อนี้แล้วอภิรม์ยินดีในพรหมจรรย์ อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศไว้ดีแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์ผู้ปฏิบัติตามในขณะนั้นเองชายหนุ่มผู้หนึ่งมีน้ำปานะนิมือเข้ามาสู่ที่พระพิสุทั้งสองสนทนากันอยู่แล้วนั่งลงทำความเคารพด้วยกริยาที่เห็นว่างามเมื่อพระพิสุทั้งสองได้เห็นชัดก็อุทานออกมาเกือบจะพร้อมกันว่ากันหกกะหรือนี่ ใช่แล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญน้อยไม่สามารถอยู่ในพรหมจรรย์ได้ตลอดชีวิตต้องออกไปวิ่งเต้นแบบชาวโลกทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าคิดว่าสามปีเศษในสมณภาวะของข้าพเจ้าคงจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นคฤรืหัดที่ดีได้ด้วยการประพฤติตามธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดา พระธรรมชาติช่วยเสริมว่าถูกแล้วกันหกะธรรมะของพระบรมศาสดามีได้มีไว้สําหรับผู้ออกบวชเท่านั้นและมิใช่จะประพฤติธปฏิบัติได้แต่เฉพาะเพศบรรพชิตเพียงเพศเดียวธรรมะของพระพุทธองค์มีไว้และเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยและทุกคนสามารถใช้ให้เหมาะแก่เพศวัยของตนได้เสมออีกประการหนึ่ง บุคคลมีใช่จะดีได้แต่เฉพาะเพศบรรพชิตเท่านั้นเป็นครือหัดก็ย่อมจะดีได้และปฏิบัติตามธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ว่าบรรพชิตหรือครือหัดเมื่อประพฤติไม่ดีไม่งามก็ควรแก่การตาหนิทั้งนั้นเมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบตามเพศภูมิของตนก็ควรแก่การยกย่องสรรเสริญและได้รับความสุขสดชื่นเป็นอนิสงค์ด้วยกันทั้งนั้น พระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตนตามธรรมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแหละอานนท์ เธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียบว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้ท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าจะพยายามใช้ธรรมะที่เคยเล่าเรียนศึกษามา นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกแง่ทุกมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และทำบุญทำกุศลไปตามกำลังและโอกาสนอกจากนี้จะพยายามแนะนำคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้รู้ถึงคุณแห่งพระศาสนาเท่าที่สามารถดีแล้วกันหกักะข้าพเจ้าขออนุมทนากับความคิดอันเป็นมงคลของท่านนี้ด้วยพระสารชาติถามขึ้นว่า กันหกะเมื่อบิดาของท่านทํากาละลงท่านมีความเศร้าโศกมากหรือไม่ความทุกข์เพราะเรื่องนี้เบียดเบียนท่านหรือไม่ข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เคยบรรพชาอุปสมบทและไม่เคยศึกษาพระธรรมเลยก็คงเศร้าโศกมากทีเดียวเพราะบิดาเป็นที่รักของข้าพเจ้ามากถึงกระนั้นในคราวแร ก, แรก ข้าพเจ้าก็เศร้าโศกไม่ใช่น้อยจิตใจมันห่อเหี่ยวและเหือดแห้งแต่เมื่อมาปลงตกเสียว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายอย่าว่าแต่บิดาของข้าพเจ้าเลยแม้กษัตริย์ผู้ทรงอํานาจอันยิ่งใหญ่และสมเด็จพระบรมศาสดาเองก็ยังต้องยอมแพ้แก่มัจุฬาชแล้ว ความเศร้าโศกก็ค่อยลดลงและมองเห็นเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายซึ่งมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอยู่เหนืออำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดกันหักกะขบเจ้าขออนุโมทนากับความคิดและจิตใจอันได้รับการอบรมมาดีจนกระทั่งสามารถหยิบยกเอาธรรมะมาใช้ได้ถูกต้องตามเรื่องที่เกิดขึ้น กันฮา ก, กะเอย๋ยอันว่าความตายนั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีการใดๆ ไ, ได้เลยก้าวเขาไปสู่พระศาลแห่งกษตริยาธิราชย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสถานใดๆเช่นเดียวกับก้าวเขาไปสู่กระท่อมของขอทานพระยามั จ, จุรานั้นเป็นตุลาการอันเที่ยงธรรมยิ่งนะัก ไม่เคยลาเอียงและกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องจากใครเลยท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันรครดด้วยกลิน่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัต์ออกประชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์ เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เล่ากันเล่นเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมองกุฎเพชรลงวางเดินเคียงคู่ไปกับชาวนา ผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมมวกฟางและคันถ่ายไว้ให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนใครเล่าจะต่อกรกับพระยามัจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานมากกว่านี้ว่าไปอีกทีหนึ่งพระยามัจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่ เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงได้และเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นทำให้คนบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำแต่ก็พระยามจุฬาชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่ควรกันหกะ หน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การกำหนดรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วตั้งใจบําเพ็ญกุศลประพฤติ ธ, ธรรมสัมมาปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกในโอกาส ต, ต, อ ต, อต่อต่อไปการสนทนาธรรมได้ดำเนินต่อไปอีกพักหนึ่งกันเถกก็ลากลับด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในคำกล่าวของพระภิกษุทั้งสองตลอดระยะทางที่เดินกลับคุณแห่งพระรัตนตรยัย ได้เข้ามาวนเวียนอยู่ในจิตใจของเขามิสั่งสาเขาได้แต่ภาวนาในใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สงพระคุณหาประมาณมิได้ล้มอ่อนในท้องทุ่งพัดมาเป็นระยะระยะแสงสีเงินแห่งโทสากรสาดลงมาอย่างท้องทุ่งอันไพศาลเบื้องหน้ามองเห็นเงาไม้ตะคุ่มตะคุ่ม ความปลอดโปร่งแห่งท้องฟ้าความงามความสดใสของดวงจันทร์และลมทุ่งอันเยือกเย็นทั้งหมดนี้ยังไม่เท่าความปลอดโปรง่งสดใสและเยือกเย็นแห่งดวงจิตอันดื่มด่ำในรสพระสัตยธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้ว